ความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายกรรมยายพระสูตรในวันนี้จะได้นำเรื่องวัสการสูตรที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ในจตุกาณิบาทอังคุตตรกายมาเสนอได้ท่านฟังหรืออย่างกล่าวไว้นานมาแล้วว่า หลักธรรมในทามพรษษษษะพุทธศาสนานั้นเมื่อเราเกาะกลุ่มถึงที่มาก็จะพบว่ามีลักษณะของที่มาสี่ประการประการแรกที่ค่อนข้างสำคัญก็คือการปฏิวัติความเชื่อถือที่มีอยู่ในยุคในสมัยนั้นนั้นซึ่งเราจะเห็นว่า ธรรมเทศนาในแนวธรรมจักซึ่งเป็นปฐมเทศนากันแรกนั้นในตอนสุดท้ายท่านก็บอกไว้ว่าเป็นปฏิวัตตังอภิวัตอีกอย่างคือเป็นการปฏิวัติที่ใครจะปฏิวัติคืนไม่ได้เป็นคำสอนในแนวของการพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ อันนี้จริงก็มีการศึกษามีการสั่งสอนอยู่แล้วแต่ว่าสอนอีกด้านหนึ่งแล้วก็สร้างปัญหาทัพทวีขึ้นไปอีกอเจ้าก็พลิกอีกด้านหนึ่งขึ้นมาสอนเป็นตรงริเศษกามาสุขานในการนโยกการทรมานและการทรมานร่างกาย ผมมาสอนในสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาและการปฏิวัติที่เด็ดขาดมากกันนะก็คือในโอวาทปฏิโมก์สามข้อแรกความเชื่อถือของคนในยุคนั้นถือว่าการทรมานร่างกายกับการปนปรือร่างกายมันสองแนวนะแนววัตถุนิยมก็คือการปนปรือร่างกาย ไ อ, อ้มน้ำสําราญด้วยกามาคุณขนาดเปิดเป็นฮาเล็มกันทีเดียวดังนั้นถือว่าเป็นเป็นสุดยอดของการมาเป็นเพียรอีกแนกรรรมเนึ่งก็คือการทรมานร่างกายอย่างนี้พระเจ้าเคยทรมานแล้วก็ถือว่าเป็นตบะธรรมที่จะอย่างยอดเยี่ยมที่สุด มีตำนานเล่าขานเระว่าคนบางคนบำเป็นเพียรอย่างนี้แล้วก็บังเกิดในสวรรค์หรือว่าไปอยู่บนสวรรค์ทัทง้ทงๆที่เป็นมนุษย์พระเจ้าก็ทรงแสดงว่าขันติประบังตะโอติศิาความบดกรั้นคือความบดคนเป็นตะบะอย่างยอดจริงแต่ที่ใช้ตะบะอย่างอย่างนี้ก็บำเป็นเพียร พรเจ้าก็ทรงสอนแนวตะบะคือคันติก็มีคำสอนว่าการเข้าไปรวมกับในสมัยนั้นเ็าเรียกว่าปรมาตามปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าปรัพรมก็ก็เหมือนกันนะนะฮะก็หมายถึงสิ่งสูงสุดในาศาสนาเป็นลาที่ความเชื่อในแนวเทวนิยมทั้งหลาย ก็จะคนมาจากที่ไหนจะไปสู่ที่นั้นไล้จะไปอยู่กับสิ่งนั้นซึ่งจะอยู่อย่างไรก็เป็นรายละเอียดก็แล้วแต่ศาสนาใดจะอธิบายศาสนาที่อธิบายสิ่งสูงสุดค่อนข้างค่อนข้างไปเป็นรู ป, ปรธรรมค่อนข้างเป็นสิ่งมีชีวิตก็จะไปอยู่ในฐานะผู้รับใช้อยู่ในฐานะบริวารอยู่ในฐานะลูกก็แล้วแต่ แต่ถ้ามีการอธิบายสิ่งสูงสุดที่ค่อนไปทางนามธรรมาเช่นพรมมันปรามาจตมันเนี่ยมันใกลๆ้ๆพร อ, อมีลักษณะหนักไปทางนามธรรมาคนก็จะเข้าไปอยู่รวมกับสิ่งเหล่านั้นก็ถือว่าสูงสุดแล้วพระเจ้าทรงแสดงวันนิพพานังปรมังิตัพุทธาท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวนิพพานว่าเป็นบริโภคมธรรมคือสูงสุด เพราะอะไรเพราะว่าการไปอยู่รวมก็สิ่งนั้นก็เมื่อก่อนเราก็อยู่รวมกับสิ่งนั้นแล้วเราก็ต้องมาเกิดเกิดแล้วก็ไปอยู่รวมกับสิ่งนั้นมันก็ต้องเกิดอีกเ้าเคยเกิดมาแล้วก็แสดงว่ายังไม่หลุดพ้นจากสังสารทุกข์ยักษ์ก็ตรงแสดงผลสูงสุดไว้ว่าการดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ได้ก็ถือว่าเป็นบรมะคือลักษณะของบุคคล ถือว่าเป็นคนสูงสุดเป็นผู้เว้นบาปเป็นผู้มีความซึ้งดแต่อย่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมในการบุญสาันต์ต่างๆในยุคในสมัยนั้นเกิดมาความว่าคนัก บ, บวชจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเขีนข่าตําลายล้างในยุคนี้พระเจ้าก็ส่งปฏิเสธตรงนั้นแล้วก็แสดงว่าผู้ฆ่าสะดื่นเบ็ดเบียนสะดื่นไม่ใช่ว่าบัญชีชิต ภูเป็นบาปภูริชวาสมณะที่แปลพู้สงบก็แสดงว่ามีการยอมรับบุคคลอีประเภทหนึ่งซึ่งเกิด ข, ขึ้นจากการประธติปฏิบัติคือเว้นบาปจนตัวเองสงบจากบาปก็นั่นก็ถือว่ายอดของคนแต่ที่จะไปกำหนดในแนวอื่นก็กำหนด การเปิดโอกาสกว้างทุกชีวิตถ้าประพฤติปฏิบัติได้อย่างนี้ก็สามารถที่จะเป็นยอดผลได้แต่แนวหนึ่งนี่ที่จริงคำสอนเขาก็ปกฟังได้นะเพียงแต่ ว, ว่าวิสันานานั้นแสดงเหตุแล้วรับรองผลหากวาผลที่เกิดมีความเสี่ยงอยู่สูงเนี่ยมันก็ต้องเพิ่มเติมตเพิ่มเติมให้มันกระชับรัดกลุมขึ้น เวลาประกอบเพจอย่างนี้ผลก็จะลงตัวได้พระเจ้าก็จะทําในรูปของการปรับปรุงก็เรียกปฏิรูปปฏิรูปนั้นหมายความว่าส่วนใหญ่มันก็ดีอยู่แล้วนะแต่ว่าปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมตัดต่อบ้างนะตัดต่อบ้างเพิ่มเติมบ้างเพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติที่ออกมาตาม เรื่องของของธรรมะเหล่านั้นตัวอย่างที่เราคุ้นเช่นเรื่องการเข้าพรรษาการออกพรรษาการอะไรๆที่จริงเป็นเรื่องเก่าเท่านั้นะวันพระวันเพื่อนี่สิ่งหนึ่งของเก่าเท่านั้นมันมีอยู่แล้วเป็นธรรมเนียมโบราณแต่พระเจ้าก็มาจํา น, นวนวิชาการปัจจุบันก็เรียกว่าเสริมเติมเต็มคือหมายความว่าทาให้สมบูรณ์ขึน้น ไม่ใช้ได้สาระถามากขึ้นจากการหยุดจนที่จะหยุดเฉยๆเข้าอยู่โบสถ์สดคือ น, นั่งเฉยๆก็ทําอะไรไมันมีสาระแก่สารขึ้นแต่คงใช้วันเดียวกันคือวันขึ้นแปดข้าแดนแปดข้าม ข, าขึ้นสิบห้าข้าแดนส้าข้าันนี้ก็เรียกว่าแนวปฏิรูปและปฏิรูปหลายๆเรื่องแม้แต่คําสอนเราจะเห็นว่า บางเรื่องถ้าทำเท่านั้นเนี่ยมันเสี่ยงเจนว่าคำสัตว์เป็นคำไม่ตายโบราณในทานเรียกว่าสนันตนาธรรมหมายความมันทำโบราณที่สืบสารกันมาตั้งแต่เมื่อไหรไ่รูใร้ใครบอกที่มาไม่ได้นนแล้วมันนานได้เกินแต่จริงๆแล้วมันมีความเสี่ยงเพราะการพูดคำสัตว์บางอย่างเนี่ย มันก็เป็นอุตภัยนะเป็นอันตรายต่อตัวเองปุจจ ա จก็ไปเพิ่มเติมขึ้นบาลีบรรทัดแรกมันก็เป็นของเก่านะบรรทัดที่สองก็เพิ่มเติมขึ้นว่าสัตเอเถรจะทำเมจะ า, าหุสันโตปฏิทิตาสัจบุรุษคือคนฉลาดเนีย่ยจะต้องพูดคําสัจที่เป็นประโยชน์เป็นธรรมแต่ท้าดีเนี่ยผู้ฟังชอบใจ หรือแม้จะไม่ชอบใจแต่ต้องเป็นจริงเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นธรรมมันก็จะมีผลในทางปฏิบัติแต่แนวหนึ่งในตัวสนันนานธรรมคือธรรมโบราณแล้ว ก, ก, ก, ก็มันก็ยุติอย่างนั้นนะ่นะโอยุติอย่างนั้นพระเจ้าก็รับมาเลยรับมาสอนเลยแต่จะบอกว่านี่คือของเก่าโบราณท่านสอนมา เรานะั้นในฐานะที่เป็นลูกหลานมนุษย์นะฮะแล้วก็โบราณท่านก็พิสูจน์ทดสอบสิ่งดีงามเอาไว้แล้วก็สืบสารให้ท่านเช่นว่าการจองเวรกันเนี่ยเวรย่อมไประงับไปด้วยการจองเวรแต่ระ ง, งับไปด้วยการจองเวรอันนี้เป็นของเก่าเป็นการสะท้อนพฤติกรรมของมนุษย์ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ แต่ถ้าคุณจะต้องการสงบก็คือจะต้องระ ง, รงรับไปโดยการไม่จงเปรตเพราะงั้นคนที่ไปปลูกเวรคนนั้นด่าเราคนนั้นป่าณเราคนนั้นประทุสลายเทาเวรนันไม่สงบหรอกถ้าต้องการสงบก็เธออย่าไปปลูกใจอย่าไปหยุดเก็บอย่าไปจองร่างจองผ่านกันแล้วเวรก็จะสงบอันนี้ก็คือแนวรับมาเลยทีนี้มันก็มีบางอย่างที่เป็นเรื่องในยุคในสมัยนั้นเนะี่ยมันไม่มีไม่มีการสอนกัน แล้วเป็นผลตรงมาจากการสรุปพิยันที่เคยบอกท่านทั้งหลายว่าคือถ้าเรามองในแง่ประวัติศาสตร์ น, นนะคบปรวัติศาสตร์ของพัฒนาการความคิดด้านศาสนาของมนุษย์เนี่ยะพุทธศาสนาถือว่าจุดสมบูรณ์สุดในสายศาสนาแต่ก่อนหน้านั้นก็มีคนค้นคว้า ม, มาเยอะแล้วศาสนาพุทธเองก็เคอเกิดขึ้นในโลกไม่น้อกว่ายี่สิแปดครั้งแล้ว นะแต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้น้ากงนิ้ผ่านไปาศาสนาก็เสื่อมไปาศาสนาทั้งหลายอย่างาศาสนาเชนเองมันก็มออีอาจารย์รุ่นรุ่นก่อนหน้านั้นตั้งยี่สิบกระทันยี่บสี่ท่านมันก็หายไปนะทั้งสองก็หายไปแต่ว่าส้างบุคคลอะไรได้เยอะคนอะไรได้เยอ ะ, อ ะ, ไไยอะแล้วก็สั่งสอนสืบสานกันมาได้เยอะ การปฏิบัติทางจิตเนี่ยมันขึ้นถึงอรูปฌานหมายความว่าติดอยู่ที่โภมาโลกเกิดศึกษาไปก็ติดอยู่ที่โภมาโลกพระเจ้าก็มาทะลุโลกเป็นโลกุตตะขึ้นไปเป็นลักษณะคล้ายๆกับแสงประทีปดวงใหญ่ท่ามกลางแสงประทีปคือแสงประทีปมีเยอะมันสว่างอีกพระเจ้าก็เกิดขึ้นมาเป็นดวงประทีปที่ชั่วช่องชัดชวานเกิดมาท่ามกลางดวงประทีปทั้งหลาย คําสอนจุดเนี้ซึ่งเราจะเห็นว่ามันไม่มีในศาสนาจ อ, อันที่จริงทุกขกับสมุทัยเนี่ยคนเขาก็รู้กันนี่ยนะแต่มันมันสาวไม่ถึงมันมาจากไหนสมุทยัยมันมาจากไหนเมื่อมาจากไหนมันก็สาวมาเจอก็ไปโยนให้พระผู้เป็นเจ้าไ ป, ปโยนให้ให้กรรมเก่าไปโยนให้กรรมเก่า่ะ หาไม่เจอไม่รู้มนมาจากไหนก็บอกมันเป็นเรื่องบังเอิญเฉยๆเรื่องบังเอิญเฉยๆก็ตก ล, ลงมายังหาข้อยุติไม่ได้มันมาจากไหนพระเจ้าก็สาวไปถึงจุดสุดท้ายก่องที่มาก็คือเอาปิจารแล้วก็ทรงสแสดงว่าเป็นรูปของกระบวนการสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มี ส, ม ส, ม ส, มสดีย๋ยวก็ถามสาวไปเรื่อยๆสาวไปเรื่อยๆจนถึงจุดสุดท้ายของมัน เราก็กลายเป็นวงกลมเพราะงั้นผู้เจ้าก็มาศึกษาถึงวัดมันก็ได้มรรคนะฮะเราจะเห็นว่าที่จริงไอ้ทุกข์มันก็มีอยู่ธรรมดาลโลกอะ่ะแต่ว่าสมุทัยมันสาวไม่ถึงคนยังแก้ปัญหาที่ตัวทุกข์แทนที่จะไปแก้ปัญหาที่ตัวสมุทยัยใช่ไหมทรมารร่างกายหเห็นไหมฮะเราจะหนว่นไปแก้ปัญหาที่ตัวทุกข์ซึ่งทุกข์มันแก้ไม่ได้ มันเหมือนกับโรคเนี่ยเราปวดหัวไปแก้ที่หัวไม่ได้มันต้องแก้ที่สมุทฐานของของปวดหัวนั้นการทรมานร่างกายกรณีการปลนปลื้ร่างกายก็ณีเนี่ยที่จริงไปแก้ปัญหาขิดไปแก้ปัญหาที่ปัญหามันก็สร้างปัญหาหรือว่าก็สร้างปัญหาขึ้นมาก็ทุกทรมานร่างกายสร้างปัญหาขึ้นมาสารพัดที่จะเป็นปัญหา ด้วยการปลนปลือ้อตัวเองด้วยการมังคุณทั้งหลายมันก็สร้างปัญหาสารพัดจนบางทีก็แยกนางสีดากันอย่ที่เรื่อ ง, เ ร, องเรื่องรามเกียรเหน็นนะมันก็มันก็ยุ่งอย่างเงี้ยเพราะงั้นผู้เจ้าก็สอนในลักษณะสืบสาวไปมันก็ใกล้ได้หลักคําสอนใหม่ที่เกี่ยวกับ น, นิพพานเกี่ยวกับอริยสัจเกี่ยวกับอนัตตาเกี่ยวกับอะไรต่างๆเนี่เป็นเรื่องใหม่มันไม่มีไม่มีการสอนอยู่ไหนอยู่ในหลักทีศาสนาหลักหนึ่งเพราะงั้พอพอเรามาศึกษาคําสอนทั้งหลาย มันก็จะมีแนวนั้นว่ามันมันอยู่แนวไหนอย่างพระสูตรที่จะกล่าวนี้มันมีลักษณะของการเสริมเติมเต็มหมายความมาที่พูดที่จริงก็ถูกแต่ว่าไม่ใช่จุดสูงสุดแล้วมันยังมีที่ยิ่งขึ้นไปกว่า น, นั้นก็คล้ายๆกับคนสมัยนั้นออสอนสูงสุดอยู่ที่เนวสัญญานาะนสัญญายตน า, าอย่าง อาจารย์เราผู้ใเจ้าอุตตะดาบทเห็นท่านถือว่าสูงสุดครับผูเจ้าก็สอนมันยังมียิ่งกว่านั้นยังมียิ่งกว่านั้นก็คือนิพพานคือพระยบุคคลเราจะเห็นว่าสมัยนั้นไม่มีพระยบุคคลแต่ก็มีท่านได้ฌานได้บัญญาได้สมาบัตยเยอะเป็ดูสีสีพายมีติริปยมนาศเยอะแยะเลถามว่าเป็นบุญญาเขตมันก็เป็นบุญญาเขต นะเป็นบุญญาเขตระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่อนุตตรบุญญาเขตต่างโลกะใสนะมันก็เป็นบุญญาเขตแต่ไม่ใช่อนุตตรเพราะยังมีถ้าอนุตตะมันก็ต้องไปไกลกว่า น, นั้นท่านวัชการพราหมณ์ซึ่งเป็นปุโรหิตของพระเจ้าผีพิสารพระเจ้าชาติตโธนะชื่อดังชื่อเสียงดังมากกันกนนีก็ เป็นพุทธศาสนิกชนแต่ไม่ได้บอกว่าได้มรรคผลเข้าใจว่าเป็นเป็นเป็นปุถุชนธรรมดาแต่ว่าเป็นนักปราดนะฮนะเป็นนักปราดอันนี้ปราดบางทีอัตราบัรยายนไปไม่ค่อยรอดนะราไม่ค่อยรอดไม่ก็ ไ, ได้ก็พบที่มาสนทนากับพระพุทธเจ้ามาถามปัญหามาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นได้ะไรจะมีลักษณะอย่างเงี้ยดูบ่อยเราพบบ่อย คราวหนึ่งท่านข้ามาฟ้าประพฤติเจ้ากราบทูลทัศนะของพวกพราหมณ์หรือมัติของพวกพราหมณ์คือก็ลงกันไว้เพราคนที่เรียกว่ามหาปราชดมหาบุรุษ้เราสังเกตการใช้คํามหาปราชดมหาบุรุษมันมันมันมันไม่มีอีกแล้ว่ะนะหรือใช้คําอย่างอย่างนี้แสดงว่ามันสุดยอดแล้วเป็นมหาปราชดเป็นมหาปราดมหาบุรุษนั้นจะต้องประกอบด้วยคุณธรรมสี่ประการ ประการแรกคือผูุสูตรเป็นคนที่มีศึกษาเรียนรู้จําทรงเรื่องราวต่างๆไว้มากในสายตองพราหมณ์ก็หมายความมาแตกฉานในพวกพระเวทาวนในพวกศาสตร์ต่างๆหรือใช้แนวการจําเป็นหลักคนในสมัยนั้นที่เรียกว่าจบจบ จบในเพศเวททางกษสตร์นนะก็ถือว่าจบ ก, ก็ศึกษากันแค่นั้นผู้เจ้าเองก็ศึกษาทัาา้งศาสตร์สิบแปดศาสตร์เราก็มีขนาดนั้นนะสูงสุดก็มีสิบแปดศาสตร์วิชาที่เรียนกันแต่ก็ไม่ใช่เบานะฮะไม่ใช่ธรรมดาปราการก็ก้าวหน้าไปจบประการที่สองนั้น เป็นคนที่เข้าใจเนื้อหาก็เจอเนื้อหาของวิชาการในต่างหมายความว่าเข้าใจทั้งในตัวภาษาและตัวเนื้อหาอัตตะคือตัวตัวเนื้อหาของสิ่งต่นนานเพราะภาษาตรงนี้ภาษีนี่หมายความว่าอย่างไงแล้วในภาคปฏิบัติจริงๆนี่ปฏิบัติไปอย่างไง เพื่อจใจเกิดผลตามที่ผ่านิีแสดงไว้ก็สามารถชี้แจงสามารถอธิบายอธิบายได้นะะแต่แต่แต่เราเราจะเห็นว่าถ้าเราไปศึกษาแล้วเนี่ยมันมันจะ ม, มีมันจะมีจุดบกพร่องมีจุดบกพร่องที่ตั้งปัญหาถามว่าถ้าเกิดปัญหาตรงนี้เธอทำอย่างไง เราจะจะเห็นความบกพร่องในตัวคำสอนเ่านั้นอยู่อยู่เยอะนะฮะอย่างเนี้ยอย่างอย่างาที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยว่าชีวิตทั้งหลายนั้นมาจากพรหมแล้วก็กลับไปสู่พรหมหมายความว่าอย่างไงหมายความอย่างไงแสดงว่ากลับไปสู่พรหมก็พรหมนั้นนี่เคยนำให้เราเกิดทีนงแล้วเธอกลับไปสู่พระบิพรมก็ผลักเรามาเกิดอีกอ่มันไม่ใช่สูงสุด เพราะพรหมนั้นเป็นวัตตะและพรหมนั้นเป็นตัวเหตุของวัตตะได้ซ้ําไปเลยไหมว่าพอถามตรงนี้เราก็หาคําตอบไม่ได้เพราะก็โฉนตรงนั้นแหละแสดงให้เห็นเนะึยว่าการตรวจสอบด้วยการดูจิตเนี่ยนะดูจิตอย่างที่พวกพวกพวกนั้นก็ดูจิตกันแล้วก็ปรากฏว่าคล้ายๆหมดกิเลสแล้วแต่พผู้เจ้าบอกไม่หมดเห็น ไ, ไหมฮะก็สัมผัสจุดเดียวกันแต่ผู้เจ้าบอกว่ายังไม่หมด เจ้าชายทิตถาณนะตอนนั้นที่จริงยังยังไม่ได้ตัดสู่หรอกเจ้ใชายาตาเองท่านบอกว่ายังไม่หมดแต่ท่านตอนนั้นรู้สึกหมดนะเพราะอะไรเพราะว่าไม่สามารถแยกได้ระหว่างกิเลสกับธรรมะเพราะากิเลสถึงจุดหนึ่งมันเหมือนธรรมะเดนว่ามันเหมือนธรรมะคล้ายๆกับมิธรรมะเช่นอะไรว่าการช่วยคนซึ่งเป็นธาตเนี่ยบางทีมันเป็นกิเลส ใช่ไหมฮอยากเด่นอยากดังต้องมีโทรทัศน์ออกข่าวต้องมิตยุลงต้องมีคนให้ โ, โล่อะไรต่ออะไรเ น, นี่ยนะมันจริงจริงมันเป็นกิเลสแต่เราดูแล้วเหมือนกับธรรมะเพราะงั้นอาการของบางอย่างเช่นมารยามารยาเสแสแซงสมาธิเพราะนั่งสมาธินั่งสงบเนี่ยอาจจะเป็นมารยาก็ได้อาจจะเป็นเสสแซงก็ได้อาจจะเป็นโอ้โหก็ได้อาจจะเป็นสมาธิก็ได้มันก็แยกไม่ออกแล้วใครจะแยกก็เราต้องแยกเอง ว่าที่เรานั่งสมาธินี่สมาธิจริงเปล่าใจสงบหรือเปล่าก็เป็นปัจจัยต่างที่เรารู้ด้วยตัวขอเราเองพตัวนั้นถ้าไม่ถ้าถ้าไม่ยอมแยกถ้าไม่ยอมคิดเที่ยวกเคียงมันก็อาจจะนึกว่าจบแล้วคือจกต้องได้ก็นแล้วประการต่อไปนั้นเป็นคนที่มีสติสติมาคือมีสติสามารถรู้ลึกถึงเรื่องราวต่างๆที่ทําที่พูดที่คิดทั้งของตนเองและคนอื่นแม่นานได้ ถ้านจะเห็นว่าตรงนี้ที่จริงก็คือก็คือก็คือขยายมาจากข้อแรกหมายความเรื่องที่ตนเองเรียนรู้ศึกษาตนเข้าใจตนตนระลึกได้เหรอนะเรียนเรียนรู้ศึกษาเข้าใจระลึกได้แล้วข้อที่สี่ก็คือมีความสามารถในการจัดในการทําภารกิจอันใด ข, ของเรือผู้ครองเรือสามารถปฏิบัติภารกิจเหล่านั้นได้ สามารถแก้ไขสามารถป้องกันสามารถทําเองสามารถใช้บุคคลอื่นทำแล้วก็งานเหล่านั้นบรรลุปวาหมายได้สี่ข้อนี้ที่จริงเป็นคุณธรรมล้วนๆและรเราเห็นว่ามีสติมีภูมิสัจอยู่ในน า, านาฏกันธรรมเลยนะอยู่ในน า, านาฏกันธรรมหมดทั้งสี่ข้อแต่น า, านาฏกันธรรมมันมีสิบข้อธรรมะเหล่านี้ที่จริงก็คือธรรมะนะฮะคือธรรมะแล้วเป็นกุศลธรรมล้วน เป็นธรรมะกระแสของปัญญาคือความรู้กับความสามารถเด่นนะฮะสรุปแล้วเป็นเรื่องความรู้ความสามารถถ้าถามมาดีไหมก็ดีท่านวัการอภ aram กราบทุนถามพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเห็นด้วยไหมถ้าจะคัดค้านก็คัดค้านถ้าจะเห็นด้วยก็ขอ ใ, ในุโมตนาพระเจ้าไม่คัดค้านแล้วก็ไม่ในโมตนา นี่คือประเด็นที่เราจะต้องมองเอ๊ะทำไมทำไมไม่ทำอะไรสักอยาก่างประเด็นสำคัญมันอยู่ที่การใช้คำข้างบนคำว่ามหาบุรุษมหาปราดเนี่ยคุณธรรมขนาดนี้เป็นไม่ได้แต่จะถามว่าเป็นกุศลไหมก็เป็นกุศลเพราะงั้นของพระพุทธเจ้าที่เราสวดว่าสมบูรณ์ด้วยอัดและพยัญชนะมันก็เหมือนกับ ทันทีคาดนักข่าคือเวทนะทันมากราบทูลพระพุทธเจ้าตอนนั้นจารุใหม่ๆนะประมาณเจเดือนก่อนที่จะแสดงอวาตารปฏติโมกวันนั้นนะฮะตอนตอนบ่ายตอนเย็นพระเจ้าก็แสดงอวาตาปฏติโมทีกนักขมาเสนอว่าท่านมีความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ท่านท่านไม่ชอบใจทั้งหมดถ้าถามมาถูกไหมมันก็ถูกนะฮะ บางจุดจะใช้คำว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้าไอ้คำว่าทั้งปวงนี่ยมันมันไม่เหลืออะไรอะมันไม่เหลืออะไรเราเองก็อยู่ในทั้งปวงโดยพ่อแม่เราก็อยู่ในทั้งปวงดยความผิดของเราเองก็อยู่ในทั้งปวงด้วยมันใช้คําไม่เป็นหรือคําอย่างเงี้ยมันใช้แล้วมันมีปัญหาว่าสื่อสารขึ้นมามันก็มีปัญหาว่าเออมันมันมันหมายความเป็ยังไงก็าาาแสดงความผิดของเธอเองก็ก็ใช้ไปได้ด้วยเพราะมันอยู่ในคำว่าทั้งปวง นั่นเห็นไหมภาษาไม่กระชับไปรัดกลุ่มในการสื่อสารพูดไปแล้วมันมีปัญหาพระเจ้าก็ทรงเตือนว่าถ้าอย่างนั้นความเห็นของเธอก็ต้องไม่ควรกันเธอด้วยเธอต้องไม่ชอบใจความเห็นของตัวเธอแล้วก็แยกแยกเห็นว่าความเห็นของคนในสายเนี่ยที่จริงมันมีอยู่สามประเภทประเภทหนึ่งถือว่าสิ่งใดควรแกเราเราก็ชอบใจไม่ควรแกเราเราก็ไม่ชอบใจอย่าง ประเภทหนึ่งนะฮะหมายความว่าใช้ตัวเองเป็นฐานในตรรกที่ที่ที่สํานุนวิชาการก็พูดถึงอัตตาวิสัยภาวะวิสัยหมาก็อันนี้คือใช้อัตตาวิสัยใช้ตัวเองเป็นฐานในการกําหนดสิ่งเดียวทันมันดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับเรามันไม่ใช่ข้อยุติอะไรแค่ๆก็เราพูดคนดีกับคนไม่ดีถ้าเราใช้ตัวเองเป็นฐานมันหาข้อยุติไม่ได้คนดีก็คือคนที่เราชอบ เห็นไหมฮะคนดีคือคนที่รอยสอบอะไรเป็นเกณฑ์มาตรฐานเราเป็นเกณฑ์เราเร า, เราได้เกณฑ์หรือเปล่าเราไม่ได้มาตรฐานเห่นไหมเราไม่ได้มาตรฐานมันเป็นเกณฑ์ไม่ได้หรือว่าคนไม่ดีถ้าเราใช้เราเองเป็ น, เ ป, นเป็นมาตรฐานมันก็มันก็บอกไม่ได้ว่าเป็นข้อยุติจริงหรือเปล่าบางทีอาจจะไม่ดีจริงแต่ไม่ดีในจุดใดนะก็ว่ากันไปหรือคน บางพวกถือว่าสิ่งทั้งปวงควรแกร่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ชอบสิ่งทั้งปวงไม่ควรแกร่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ชอบใจทั้งหมดแนวนี้อันนี้ปฏิเสธแรงไปมองโลกในแง่ร้ายไปไม่สามารถแยกแยะสิ่งต่างๆได้คืออคติมากไปนะฮะแต่ในขณะเดียวกันบางพวกก็ถือว่าสิ่งทั้งปวงควรแกร่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าชอบใจทั้งหมดอันนี้ก็เละไม่มีทางเหมือนกันใช่ไหมไม่ได้มีทางไม่มีการแยกแยะไม่มีปัญญาในการตรวจสอบ มันเจอปัญหาได้ง่ายดังนั้นคำคำทั้งสามนี้มันก็บางจุดมันถูกนะแต่ใช้คำอย่างนี้ยังไม่ได้ใช้คาอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าใช้ใช้ตัวเองเป็นฐานมากไปในศาสนาก็ใช้ธรรมะเป็นเกณฑ์เป็นมาตรฐานเพราะงั้นความคิดของท่านวัชกา ร, ราภะ พระเจ้าไม่ได้ปฏิเสธว่ามันไม่ถูกนะแต่ว่าถ้าจะให้รับรองเป็นมหมาปราดเป็นคุณธรร ม, มหมาปราดหมาบรุษเนี่ยมันไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าคุณธรรมเนี่ยที่จริงสติที่ท่านบอกเนี่ยสติสติธรรมดามากมันไม่ใช่สติระดับพระโพนิพานจริงถ้าสติก็สมบูรณ์นะอาจจะเห็นว่ามันก็ไปได้นะฮะก็ไปได้แต่ว่า สติในกรอบที่ท่านตีไว้เนี่ยมันมันเป็นสติสติเล็กๆน้อยสติธรรมดาธรรมดาการศึกษาก็ดีความเข้าใจก็ดีหรือความสามารถก็ดีความสามารถเป็ น, เ ป, นเป็นงานเป็นงานของผู้ครองเรือนมันไม่ใช่ไม่ใช่ระดับของหมหาบุรุษแล้นพระเจ้าก็ทรงแสดงขยายขึ้นไปอีกสี่ข้อมาความเพิ่มแล้วก็เป็นแปดนะฮะเพิ่มแล้วก็เป็นแะก็มาต่อกันข้อแรกก็คือว่า ใครก็ตามที่สามารถประพฤติกระทำตวได้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นมากเป็นการนอกรอต่อเจ้าโลกคือคือคือคืออะไรคือว่าเราเองก็เล็กนิดเดียวนะก็เป็นทุลีดินทุลีหนึ่งในดินทั้งหลายแต่ว่า ม, มีมีน้ําใจมีความรู้มีความสามารถมีความคิดอ่าน สร้างสรรสิ่งที่เป็นประโยชน์คื้อกูลแก่หมาชนได้มากมายและจุดตรงนี้ที่จริงก็ไม่ใช่ไปผูกขาดไว้เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งนะฮะหมายความบนเส้นทางของหมาบุรุษนี่ที่ยริงมันก็เริ่มจากการครองเรือดที่ทรงแสดงว่าสัตว์บุรุษบุคคลมีปัญญาอยู่ครอบครองเรือนเพื่อประโยชน์แก่คนจำนวนมาก ก็แสดงว่าชีวิตชาบ้านก็ได้ชีวิตสาวบ้านก็ได้แต่ถ้าทําให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่คนเป็นนันมากได้ก็ถือว่าอยู่บนเส้นทางของหมาบุรุษนะฮะแต่ก็ ก, ก, ก็ก็คงจะไม่ถึงกับเป็นหมาบุรุษจริงๆเมือนกับเพื่อนเพื่อนก็ติงหลวงวิจิตวาตาการในท่านเขียนเรื่องหมาบุรุษก็เห็นว่าคนบางคนไม่น่าจะ ไม่น่าจะเป็นหมหาบุรุษแต่ว่าหมหาบุรุษระดับบร้าท น, น, นั่นนะก็ここถูกต้องระดับระดับนั้นแหละเป็นการพูดคล้ายๆการศึกษาประถมบัณฑิบุลมัธยมบัณฑิบุลนูดมศึกษาเนี่ยก็ว่ากันเป็นชั้นๆแต่ว่าพระพุทธเจ้าต้องการขยายปริยาให้เห็นว่ามันมันมันยังมีไกลขึ้นไปกว่านั้นตรงตรงนี้ท่านท่านท่านทัน้งหลายเห็นว่า คนที่ทำประโยชน์แก่บุคคลอื่นได้มากเนี่ยมันจะต้องมีพื้นฐานของการคิดจำนวนปัจจุบันเรียกทา่าทีนะท่าทีต่อสังคมนะฮะท่าชีต่อเรื่องตองนั้นเราคิดจังไงมันเหมือนกับหมู่บ้านบางหมู่บ้านที่น้ำท่วมปัญหาว่าท่าทีของคนต่อหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมเป็นยังไงมันก็มีทั้งทั้งทั้ ง, ท, ง, ท, งทั้งหลายประเภทนะฮะ เห็นว่าโจรก็เต็มไปหมดเลยไว้เฮ้าเนี่ยโจรก็ข้าไปเต็มไปหมดเลยคนที่ข้าไปช่วยก็เยอะคนที่ข้าไปช่วยก็เยอะคนที่ข้าไปผสมโรงในทั้งสองด้านนะั่นนะฮะมันก็มีเยอะก็แสดงว่าพื้นฐานตรงนี้มันคิดยังไงใจคนมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์พอไหมระดับนั้นนะี่ยนะ สะอาดบริสุทธิ์พอใหมแล้วก็มองเขาด้วยความเมตตากรุณาหรือว่ามองเขาด้วยด้วยอะไรถึงถ้าหาก็เรามองไม่ดีเราก็เพิ่มบาปเพิ่มบาปอย่างวนนี้ท่านท้านตางหลายลองล อ, อ, องสังเกตว่ามีคดีแรงๆนะี่ะคนเพิ่มบาปตัวเองกินเยอะเลย คดีที่ก็รื้อฟื้นขึ้นมาอะไรเด็กพลังกันนัะครับคือมันมันมันมันเราต้องปล่อยเป็นกรรมของเขาถึือไม่ต้องไปด่าเขาหรอกตอนนี้เขาก็แย่แล้วตอนนี้ก็ก็แย่แล้วเราไม่ต้องไปซ้ำเติมอะไรทีจริงเราซ้ำเติมเราไม่ใช่ซ้ำเติมเขาต้องเเป็นกรรม ถ้าเรามองในกระบวนการของกรรมเนี่ยเราก็ชักใจบททุกจุดนะแม้คนที่ถูกกล่าวหาใส่ร้ายเนี่ยถ้ามองกระบวนการของกรรมก็าชาติก่อนที่อาจจะกล่าวหาใส่ร้ายเข้ามาแล้วก็ถือถูกกล่าหาใส่ร้ายเขาก็ควรแก่กรรมคนที่ทําผิดในแต่ละสายก็ถือว่าต้องบวชในกรรมพรจกุกเราก็ทําใจเป็นอุเบกขาเราไม่ส่วนเกี่ยวข้องอะไร ไม่ไ ม, ไม่ไม่จำเป็นจะต้องไปหาโอกาสไปดา่าตํำรวจไปดา่าอะไรไปดา่าสารดา่าอายการพวกนี้ก็ทะเลาะ ก, กันพอแล้วนะฮะเราก็ไม่ต้องไปเพิ่มบาปอะไรเป็นเรื่องที่แต่ละคน ร, รับผิดชอบเราก็รับผิดชอบเฉพาะที่ที่เราทําเพราะงั้นความคิดเนี่ยทาทีถ้าทีาทเป็นเป็นเรื่องสําคัญ คนที่ทํางานตรงนี้ได้แสดงในงพัฒนาการของจิตวิญญาณที่ว่ามีปัญญามีความรอรู้เหตุผลเช่นเช่ น, ช น, ชนเนี่ยคิด ค, ดคดง่ายๆว่าอย่างที่เริ่มที่เริ่มให้ทานเริ่มการคิดให้ทานที่พระเจ้าสรงช้คำว่าเนกาสีและประเฏศสุขังกินคนเดียวไม่ได้สุขแบ่งใหเ้เพื่อนกินได้เพื่อนก็ขิวเรามานั่งกินกินใจคอจะกินเอาไว้ได้ยังไงก็แบ่งกันกินเห็นไหมมันคล้องความคิดมันมันเ อ, อื้อมันเกิดเมตตากรุณาสงสารคนอื่น มันก็เริ่มแบ่งแล้วนะฮะเริ่มแบ่งจากความคิดขนาดนี้ถ้าทีมันออกมาขนาดนี้มันก็แบ่งได้แล้วเราก็ช่วยออกไปได้เรื่อยๆจนมองคนอื่นอยู่ในห่วงของความทุกขยิ่งกว่าเราค็อยิ่งกว่าเราเราก็ทุกข์นะฮะทุกข์ก็ยิ่งกว่าเราแต่ที่เราเราคิดมีปัญหาเพราะเราคิดว่าทําไมจังต้องเป็นเราคือคิดว่านึกว่าเฉพาะเราเท่านัน้นนะๆแต่อย่าลืมว่า โลกมันก็เป็นก็วันอย่างนี้ถ้าอยู่ในวิสัยจะช่วยก็ช่วยแต่ตรงนี้ท่านพูดระดับสูงสุดเอาไว้คือหมายความว่าเนื้อทายาสายกว้างขวางประกอบด้วยมารโกนาสูงสุดพอพูดระดับหมาบุรุษแต่อย่าลืมมาบนเส้นทางนี้ที่จริงก็คือก็คื อ, อพื้นฐานความคิดที่มีปัญญามีความสุดมีความเมตตากรุณาต่อคนอื่นแล้วก็หวนไหวยต่อความทุกข์ของบุคคลอื่นนั่นเอง ประการต่อไปนั้นสามารถควบคุมความคิดสำนวจมาเลยว่าอาจจะตึกเรื่องอะไรก็ตึกได้ไม่ต้องการจะตึกอะไรก็ก็ทานได้แต่โดยคล้คลคลายๆง่ายอ่ะมันรู้มันอยู่ในความคิดเราจริงยุ่งที่สุดนะยุ่งที่สุดว่าเราคุมความคิดเราไม่ได้คุมความคิดเราไม่ได้ว่าเรื่องมันกลุ่มๆยิ่งกลุ่มยึงมย่งออกมาคิดใหญ่พอกลุ้มเราเกินกลุ่มเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็สามาร ทำยังกลุ่มมามเป็นอย่างั้นอย่างนี้อธิบายได้หมดเลยนะฮะแต่ยังกลุ่มเพราะยังกดคิดไม่ได้เพราะการควบคุมความคิดเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเราเราเรามองเฉพาะการควบคุมคนอื่นเลยว่าคนเราจะชอบควบคุมคนอื่นชอบสั่งการชอบชี้นิ้วชอบสั่งการแต่มาอย่างยังมองดูไปออกรายการมองต่างมุมบก่อนวันนึงก็คือค น, นี้ไม่คิด เราคิดเราเหยียดมือออกเราเร า, เราชี้เขานี่ไอสามนี่มันกลับม า, าเรานึกจะยกตัวอย่างกันดูเนี่ยเนี่ยที่จริงโบราณเนี่ยก็สอนให้ว่าชี้คนอื่นหนึ่งนี่มันยังชี้เราสามที่เราว่าเขาเนี่กลับมามองเราด้วยแต่เรามองเขานะโดยไม่ได้มองเราธรรมชาติจริงๆแล้วมันจะออกมาอย่างนี้หลยธรรมชาติมันกลับมาหาเราที่สามนี่ ไปที่คนอื่นนิวเดียวเป็นยังไงนิ้วโป้งไม่ได้ทํางานอะไรอยู่กลางกลางถ้าคนได้คติธรรมอย่าตรงนี้แล้วเราเรียนจาตัวเราเนี่ยที่จริงมาท้ายอะไรแต่เยอะแล้วทาไมไม่ตรวจสอบตัวเราเองทําไมคิดแต่ตรวจสอบคนอื่นหรือบอกให้รัฐบาลตรวจสอบตัวเองแต่สั่งแต่คนนั้นคนนี้คนนั้นตัวเองไม่ได้ตรวจสอบตัวเองเลยปัญหาปรคกงเป็นปัญหาเพราะการการการควบคุมความคิด ได้เนี่ยมันก็คุมการพูดได้มันก็คุมการทําได้ใช่ไหมฮปัญหาใหญ่ทั้งปวงก็มาจากความคิดแล้วก็สิ่งดีงามทั้งปวงมันก็มาเริ่มจากความคิดแล้วทํายังไงจะคุมจะคุมความคิดได้เอม่เราที่จริงจริงมันก็มีสองกระแสนะฮเรียกว่ากุศลนักกุศล ในที่นี้การคุมความคิดก็คือคุมความคิดไม่ให้เบี่ยงเบนออกไปสู่กระแสของกุศลแลวมีจุดหนึ่งที่คิดไปก็เท่านั้นนะ่นะคิดไปก็เท่านั้นมันไม่เกิดประโยชน์อะไรขึนะ้นเป็นการรัทุนสาจิตตัวเองมันมันจึงมีหลักของเบรคขาไว้และก็หมายความหยุดคิด ไม่สร้างปัญหาไม่ดึงปัญหาเข้ามาตนที่ทรงสอนในแนวเต่าเก็บเท้าเก็บหัวเก็บผางข้าวกระดองหมดเก็บหมดไม่มีเรื่องต้องทำไม่มีเรื่องต้องคิดนอกเรื่องส ง, งบตัวเองอยู่โดยตัวเองอย่าไปสร้างปัญหาใครก็ทําอะไรเราไม่ได้ภาพเหล่านี้เป็นภาพรูปธรรมนะภาพรูปธรรมที่ บางทีก็ส่งสอนสอนในรูปในรูปปิดที่ทั้งหมดดูเฉพาะจิตแต่งเดียนะฮะไม่ไปนสนใจใจหูจบเล่นการสนใจห้าอย่างปิดแล้วก็มาดูที่จิตแต่งเดียวแล้วก็ดูความคิดมันเป็นกุศลหรืออกุศลเพราะฉะั้นเราเห็นว่าแนว ก, นกรรมฐานทั้งหลายเนี่ยแนวกรรมฐานทั้งหลายคือแนวการคุมความคิดให้มันอยู่ในกุศลแต่ความคิดมันแหวงเวียงไปเวียงมาบางทีนั่งสมาธิยี่สินาทีไม่ได้ทั้งนิดหนึ่งนะมันก็สู้กันไปดิ พุงความคิดไม่ให้หนักไปในทางกามวิตกหนักไปทางพยาบาทวิตกหนักไปทางความคิดเบียดเบียนะฮะหนักไปทางคิดความอยากได้ความอากาศพยาบาทและความคิดเบียดเบียนอย่าน้อยก็ลดกระแสความรุนแรงของความคิดเอาไว้ได้จนถึงไม่มีความคิดนะที่เป็นบาเป็นอกุศลใจก็อยู่ด้วยกุศลตลอด เจกุศลวิโตคือเรื่องทุกอย่างเป็นกุศลเราจเห็นว่าระดับศีลเนี่ยที่เราคุมไม่ค่อยได้เนะพราะศีลท่านไม่ปรับประบาดท่านไม่ปรบับว่าผิดศีลจต่การคิดเนี่ยนะฮะระสมาธิเราคุมได้ถ้าเรามีสมาธิแต่มันจะคุมได้ในในช่วงที่อยู่ในสมาธิเช่นสมมติว่าได้สมาธิปั๊บเนี่ยนะนั่งสมาธิวิโตวิจารเนี่ยถึงึงถึงถงถงเป็นความนึกคิดก็สนุก จะสงบตลอดเวลาที่มีสมาธิอยู่ต่อจากนั้นมันก็กําเริบได้แปรผันได้าการจะสงบจริงๆก็ต้องสงบระดับที่สามที่สามที่ท่านแสดงว่าเป็นผู้ได้ไม่ยากซึ่งซึ่งชาตนะฮะผลก็สมาธิเพื่อแง่สมาธินะสมาธิ ท่านทั้งหลายลองลองสังเกตว่าทั้งหมดที่ส่งแสดงมันแสดงอริยมรรคนะแสดงอริยมรรคหมายความว่ามาหาบุรุษนี้ต้องเดินไปบนอริยมรรคทั้งหมดสีข้อก็คืออริยมรรคแต่อย่าลืมมาของของที่วัสการพรามณ์ท่านเสนออริยมรรคเหมือนกันนะเสนออริยมรรคเหมือนกันแต่เสนอในแนวปริยัติพระครูเจ้าเสนอในแนวการปฏิบัติ เป็นการพูดเรื่องเดียวกันแต่ขอ ง, ขอ ง, ของท่านวัชการพรามคุมไม่หมดนะฮะคุมไม่หมดเป็นคนที่ได้ไม่ยากซึ่งสมาธิคือฌานสี่นะฌานสี่รูปฌานสีรูปฌ า, า, า, า, านสีมายความว่าเป็นการฝึกจนเกิดความชำนิชํานาญมีอยู่ความคล่องแคล่วชำนี้ชํานาญที่เราพูดวัดสีเ อ, อวันก่อนนิยมถามเรื่องวัดสี เราก็สวดอาราธนากรรมฐานนึ้อวัต ส, สีมานานนะนะแล้วก็ไม่ค่อยได้อธิบายวัต ส, สีหมายความมาคร่องเคล่วชนานาญที่ยิงเรื่องอะไรก็ได้นะเรื่องอะไรก็ได้ชนานาญในการนึกถึงอารมณ์เรียกว่าวัจนาวัต ส, สีชนานาญในการคิดถึงอารมณ์เราชนานาญในการเข้าสมาชิการอยู่ในสมาชิ การพิจารณาตัวสมาธิเรียกว่าปัจจเวกณวภาีเนี่ยพิจารณาในการดูตัวสมาธิสมาธิจริงกันเปล่าสมาธิจริงกันเปล่าเราก็ต้องดูนะบางทีเราแยกไม่ออกระหว่างสมาธิกับการเคลิ้มหลับนั่งสมาธิเคลิ้มหลับแล้วก็มีอะไรที่ตกค้างอยู่ภายในใจที่เราคิดไปก่อนนีก็กลายเป็นฝันนอนๆเราก็ รุงเป็นสมาธิไปหายไปเลยเพรา ะ, ะสมาธิเองก็ต้องพิจารณาครับว่าเป็นสมาธิจริงหรือเปล่าเนี่ยง่วงหลักเคลิ้มสมาธิยังไงอย่างหยาบอย่างกลางอย่างเรียบ ก, ก็ดูรู้จักรู้แล้วก็วุฒิฐานะคือพิจารณาการออกการออกออกสมาธิก็เหมือนกับถอยหลังออกมีลักษณะของการถอยหลังออก ถือวความเราออกจากสมมติเราได้ชาเนี่ยนะฮะออกจากจากติตติฌาตติยชาทุติยชานแล้วก็มาผสมชาเข้าในข้าวไปตามระดับออกก็มือก็ขึ้นบันไดยัขึ้นบันไดจะมีลักษณะอย่างมความว่าท่านมีความชานิชานาญในเรื่องของสมาธิต้องการข้าสมาธิข้าวสมาธิได้ทั้งส้แต่ในที่นี้ทรงแสดงในรูปที่ทงช้คำ ว, ว่าทิฏฐธรรมสุกเวหา คือพระยบุคคลเวลาท่านเข้าสมาธิถ้าไม่เข้าลึกเลยนะครไม่เข้าลึกหรอกท่านท่านเข้าไปแค่ทุติยชาติเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ไม่ได้ไปอยู่นั้นไอ้นั้นมันเรื่องสมาบัติแล้วท่านท่านท่านไม่เคยเข้าอะไรแล้วเพราะตัวที่จะทําให้เลือดลมมันเล่นดีมันมันใจมันสบายโปร่งเนี่ยมันอยู่ที่ระดับสองเท่านั้นเองระดับสามสี่เราไปเงียบไปแล้วมันมันมันติดเงียบไปแล้วมันก็อยู่ที่สองเาเรียกว่าที่จะทำมาสุกวิฐาร เป็นการฆ่าสมาธิระยะสั้นๆก็ได้เพื่อจะให้ร่างกายแข็งแรงกับปรี่กรปรา่าขึ้นเป็นการบริหารกายบริหารทางกายทาั้งๆแต่ท่านเหล่านี้ก็มีความจำนี้จานานก็หมายความว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติแล้วนะครับท่านเพราะไรเพราะว่าใจเราถ้าไม่ถึงระดับนี้ยังเสี่ยงยังเสี่ยงต่อการกระทบอารมณ์ แล้วก็อ่อนไหวมันเหมือนกับเหมือนเหมือนกับเรือเหมือนกับอะไรต่างๆที่มันเสียการทรงตัวนะเรือลําใหญ่ๆความได้เพราะมันเสียการทรงตัวมันดูแล้วไม่น่าความแต่มันความอ่ะมันเสียการทรงตัวนะจิตเราก็เหมือนกันเพราะมันทวงไปทางทางอักขุลแล้วเราคุมมันไม่ได้มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมาหน้ําหนักมันก็เอียงอย่างแล้วก็ในที่สุดก็คว่ำคือเสียการทรงตัวเราจะเห็นภาพ ของท่านที่ชาญก็เสื่อมอะไรแต่ไรเนี่ยคือท่านท่านท่านมองในแนวเดียวจิตมันเสียการทรงตัวมันก็เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนะฮะและในที่สุดก็คว่ำเลยนะฮะเสื่อมชานชานเสื่อมไปเลยดังนั้นคนที่จะทำจิตได้มันต้องฝึกเรื่อยๆฝึกบ่อยๆก็ทำบ่อยๆแล้วก็ ประการสำคัญอย่างยิ่งก็คือสมาธิในชีวิตประจำวันสมมติว่าท่านท่านท่านดูข่าวอ่านนัอ่อ่านก็คืออ่านดูก็คือดูจบจ บ, ค, จบคือจบก็คือจบเลยนะไม่ได้จบแล้วโอ้มาวิตกตัวงวุนี่จะทำยังไงจะเป็นยังไงนี่น้ำหลากมาแล้วไม่ต้องยุ่งมาหรอกนะเราทำอะไรเขาไม่ได้เราอย่าไปคิดทำในเรื่องที่ทำไม่ได้ พอถึงถึงจุดหนึ่งี่อย่าอย่าลืมมาที่ท่านทเรียกว่าบังคับไม่ได้คืออนัตตวามันมันไม่อยู่ในอำนาจอะไรของเราที่เราจะทาอะไรได้ถ้าไม่อย่างนั้นถ้าขืนทําต่อไปรองสังเกิตเราจะด่านะฮะจะเกิดโทสะเดี๋ยนวนั้นมาเกิดโทมนัตก่อนเกิดไม่ชอบใจไม่สบายใจก่อนแล้วจะแล้วจะเกิดโทสะเกิดโทสะทีนี้ด่าเลยเพราดพลาด ย่งที่ารัฐบาลเนี่ยรัฐบาลนี้นะ่าอินดูนะเป็นมาหน่อยเดียวกับ น, น, น้ํานทะ่วมอุตลุดทางานกับจกจกจวิ่งกันน่านดูมากมากเลยนะทำงานหนักมากเลยนักสืบพี่มันดาไม่เห็นทําอะไรอัเนี้ยคือคือคื อ, คอบอกไม่เห็นทําอะไรก็แปลกนะแสดงว่าเธออยู่ในห้องแอร์เธอไม่ได้ลืมตาดูโลกอะไรเขาเลยเห็นไหมมันก็เกิดบาปเกิดสะสมบาปแล้วโกหกด้วยนะคำพูดอย่างนี้โกหกด้วยเพื่อนเขาทำงานไม่ทํางานอยู่ได้ยังไงคนอะ คนระดับรัฐบาลด้วยเขก็ ท, าทาํางานกันแทบตายยังด่าเขายิ่นี่ก็คือก็คื อ, คอมันเกิดโผงมนัดมันมันมันมันเกิดจากอย่งงางนั้นอย่งงางนั้อย่งงางนั้นแล้วก็ไม่ได้มันก็กลายเป็นโผงนะพอโผงมนัดเสร็จแล้วก็หาทางระบายระบายก็โยนลูกออกนอกเลยด่าคนอื่นรัฐบาลก็กลายเป็นกระโถนทองมะโรงทุกรัฐบาลนะฮะไม่ไมไ่ไม่ได้เจาะจรงรัฐบาลไหนแต่รัฐบาลนี้ถูกด่าเร็วไปหน่อยยังไม่ทํางานเพิ่งกระดาษอีก นี่คือคือจิตที่มันฝึกมันสามารถสงบได้สงบได้ในทันทีกันได้เราจะเห็นว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแก่พระรยาบุคคลระดับมหุรูจริงๆท่านอัตโนมัติท่านอัตโนมัติหมดเลยอะไรก็ตามพระดา ก, ก็อัตโนมัติสรรเสริญก็อัตโนมัติใจไม่ฟูไม่แคบไม่เกิดไม่ไ ม, ไม่ไม่เกิดความยินดีไม่เกิดความยินได เพราะว่าจิตใจท่านหนักแน่นมันกงได้ประการสุดท้ายเป็นผู้ชำนาญในเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติอันนี้คือกรรมฐานานะนะครับกรรมฐานาเวลาแสดงโดยสรุปบางทีพระเจ้าแสดงธรรมะโดยสรุปเนี่ยแสดงธรรมปฏิบัติก็แค่ก็แค่นี้แค่ข้อที่8เพราะเพราะเพรา ะ, เพราะทั้งหมดที่จริงมันเป็นผลนะนะฮะเป็นเป็นผลที่เกิดมา จากจิตที่สงบก็ได้หรือว่าเป็นเหตุพัฒนาไปสู่จิตสงบก็ได้ก็แล้วแต่เพราะธรรมะเวลาเวลาเขาถึงภาคปฏิบัติมันเหมือนกับเราล้างเทา้าล้างมือนะให้ลองสังเกตล้างเทา้าล้างมือเขาก็จริงไม่รู้ใครล้างใครมันก็ช่วยกันถูต้นสองมือนะช่วยกันถูต้นสองมือนะตน้ลงว่ามือซ้ายล้างมือขวามือขวาล้างมือซ้ายก็ไม่รู้ช่วยกันล้างแล้วกันท่านจริงเรียกว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยของการอะไรกัน เป็นเหตุเป็นปัจจัยกันอะไรกันเพราะงนั้นไอ้จากเหตุเป็นปัจจัยกันอะไรกันคึอสามารถสาวจากปลายมหาโคดจากโคดมหาปราจากกลางมหาปราจากปลายมหาโคดจากกลางมหาโคดได้เพราะมันมั น, ม, นมันกระเทือนถึงกันเจโตวิมุติคือจิตหลุดพ้นจากอํานาจของกิเลสด้วยสมถกรรมฐานให้เราสงเกตข้อข้อที่เจ็ดเป็นฌานนะนะข้อที่เจ็ดเป็นฌาน การเจริญฌานจนเกิดความชำนิชำนาญเรยีเรยเจต ว, วิมุตตคือจิตมันหลุดพ้นหลุดพ้นจากกิเลสประเภทใดประเภทที่ครุบรุงใจก็คือประเภทนิวรณนเป็นลักษณะของการสงบสยบแต่ก็เน้นที่ตัวความชำนาญปัญญาวิมุตตนั้นคือจิตหลุดพ้นจากกิเลสด้วยประการทั้งปวงนะฮะเป็นแบบพันธนา พูดถึงสมบูรณ์น่านพูดด้วปัญญาวิมุตต์พูดถึงสมบูรณ์หมาความการยกอะไรขึ้นมาก็ได้นะฮะพี่แจ๊กนะจะตัวอย่างที่ว่าเมื่อกี้ที่ตอนอรมณกรัระธานตอนนี้มันมีมันมีมันมีอใหม่มมขึ้นใหม่ชุดหนึ่งที่จริงของเก่าน ะ, ะอะไรนะสี่คนหามสามคนแห่คนหนึ่งนั่งแคร่โอ้อะไรสองคนพาไปสองคนพาไปคม น, น ะ, ะคนไทยนี่คมมากเลย แต่นี่มันแนวปริศนาธรรมคือลองลองถามถามกันดูว่ามันหมายความไปยังไงเนี่ยคือตั้งคนต่างอธิบายที่จริงถ้าปริศนาแล้วได้วยมติยางไงก็ถูกนะฮรัสี่คนถามเนี่ยท่านบอกว่าธสี่าตุสี่สามคนแห่มันอะไรละ่ใละใส่รักใช่ไใสรักก็ได้นะที่จริงใสรักก็ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ได้เกิดแก่ตายก็ได้ก็แล้วแต่นะแล้วแต่จะมองคนหนึ่งนั่งแคร์คือตัวจิต สองคนพาไปนะ่คือบุญบาปนะเป็นกา ร, กรแสดงแสดงคมนะฮะงกันออไม่รู้ใครคิดก็คิดแต่มันได้ยินมานานแล้วนะยินว่านั่นโดยแสดงว่าจิตใจท่านสงบท่านรู้สึกดื้อมานท่านก็คิดออกมาเป็นรูปธรรมคติไทยจะเป็นคติที่มีฐานความคิดมาจากพุทธปรัจามีความลึกซึ้งนะฮะมีความลึกซึ้งมีความคงคายมา เราไปตื่นเต้นกับความคิดของฝลัง่งจริงๆความคิดวฝรั่งเนี่ยมันชนพระผู้เป็นเจ้านะฮะจะเห็นว่ารับโบประชาที่เก่งยังไงก็ตามแกแกแกลัวพระผู้เป็นเจ้าแกไม่กล้าคิดอนะ่ะเพราะฉนั้าถ้าเราบัมอง จ, จากสายพูดแล้วเนี่ยเร า, เามันก็มีความบกพร่องตรงนี้มันมันน่าจะขาดอะไรไปสักหน่อยเพรถ้าไปปฏิบัติเท่านั้นมันก็จะมีปัญหาหมายความว่ามันเป็นความคิดที่ยังจงต้องปฏิรูปต่อไป ในวิปัสสนากรรมฐานเป็นวิเขาเรียกว่าปัญญาวิมุตนะฮะคือจิตหลุดพ้นจากอานาจของกิเลสแต่ว่าทรงขยายเองตอนนี้ทรงกระใหญ่เป็นผู้ชํานาญในเจตวิบุตรปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะไม่ได้อันหาอาสวะไม่ได้กิเลสประเภทที่จริงกิเลสก็คือกิเลส แ, แต่ประเภทของอาสวะนั้น เปนกเลสประเภทที่เรียกว่าหมักดองคือสะสมอยู่ภายในใจคนคนเดียวกันนะฮะแต่ว่ามันผู้คนละตอนผู้คนละตอนคล้ายๆกันนายกอรอยู่ที่บ้านก็อาจจะเป็นพ่อของลูกอาจจะเป็นสามีของพันยาอาจจะเป็นลูกของพ่อแม่นะฮะออกไปก็เป็นนายของคนขับรถออกไป ก, ก, ก, ก็ว่าก็นายกรนั่นแหละกนายกรนั่นแหละในแต่ละจุดภาระหน้าที่ต่างกัน ใช่ไหมฮะภ า, าระหน้าที่ต่างกันมีความเข้มข้นไม่เหมือนกันแต่ว่าตัวคนคนเดียวกันเวลาเวลาพูดเวลาพูดถึงถึงถึงท่านบรรุมพระฝนให้เราสังเกตฮะอาสวหิจิตาในวิมุตจิงสุติจิตหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายไม่ถือมัน่นโดยอุปาทานเอ๊ะมันอะไรนะอาสวะอุปาทานเนี่ยมันคืออะไรทำไมมันต่างกัน่เป็นการพูดเรื่องเดียวกันนะ กิเลสทั้งหลายเนี่ยเรียกอกุศลละมุนก็ได้เรียกอะไรก็ได้นะฮะแต่ท่านเรียกตามอาการอาการนั้นเราจะเห็นเป็นรูปธปรรมเพราะกิเลสเป็นนามธรรมอ่ะเพราะนการสื่อสารการใช้ภาษาสื่อนี่คนต้องเห็นเป็นรูปธรรมคนต้องนึกเป็นรูปธรรมหมักดองอาสวะในหมักดองหมักดองก็ผลไม้ดองอะไรดองดองทั้งหลายเนี่ยพวกดองดองะ่ะพวกหมักทั้งหลายเนี่ยฮะเห็นนะฮะ เราเห็นภาพของหมักะของหมักของดองกลินเป็นยังไงกลิ่นเป็นยังไงรถเป็นยังไงอะไรแต่อะไรเป็นยังไงเนี่ยเราจะเห็นทันทีเลยว่าไอ้ดองนนั้เป็นางเนี้เราก็นึกของดองดองนึกเป็ของดองมันไม่กระเดียดอ่ะมีปัญหาเพราะงั้นไอ้กิเลสที่หมักดองเพราะมันของดองบางอย่างเนี่ยนะฮะของดองบางอย่างถ้าเราลดความรุนแรงความเข้มข้นลงไปมันก็ดีอ่ะ ก็กลายเป็นระดับโลกียธรรมเราเห็นว่าที่จริงระดับโลกียธรรมเนี่ยชาวโลกมันก็มีกิเลสทั้งนั้นแหละแต่ประเดีก็คุมกิเลสได้นะหมายความว่าดองที่ไม่รุนแรงเกินไปเพรก็มีไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรในระดับหนึ่ง น, น, นะแต่ว่าตรงนี้ท่านพูดถึงคุณธรรมมหาบุรุษก็หมายความเอาจุดสมบูรณ์ของแต่ละเรื่องผลสมบูรณ์ของการประพฤติปฏิบัติ อาอสวะไม่ได้อาสวะนั้นโดยรวมก็คือกามาสวะอาสวะคือกามกามจริงๆคือตัวตัวนามนธรรมคือความรู้สึกกำหนัดรักใคร่เพลิดเพลินชื่นชมยินดนีอยู่ภายในจิตเราแต่ในขณะเดียวกันข้างนอกเราก็มีวัตถุกามคือวัตถุเป็นเหตุรักใครแต่ถามว่าใครใคร่ก็ไม่รู้หรือคนมีกิเลสก็ใคร่เพราะจริงๆวัตถุนี่มันกลางกลาง ไม่ได้เป็นที่ตั้งของความรักความชังของคนเป็นสากลน่ะนะมันไม่ใช่สากลแต่ว่าขึ้นอยู่กับความชอบความพอใจคนนั้นคนนั้นก็ชอบไม่พอใจคนนั้นก็ชังในจุดเดียวกันนั่นเองเพราะงั้นเมื่อพูดระดับของโล ก, กีอารมคืออารมณ์ชาวโลกเรามันอยู่ในเขาเรียกการมาวชรภูมินะฮะจิตมันมันอยู่ระดับกบารมเวัชระส่วนใหญ่มันชอบส่วนใหญ่มันชอบ แต่เวลาพระเจ้าสอนจะสอนทั้งชอบทั้งสังนะในแนวของมาสิติปทานที่พูดถึงอภิชาตโทมนานะอภิชาก็คือชอบโทมนานะคือสังที่มันเป็นปหนัหาหัวใจกังวลนั้งหละแล้วภาวาสวัสิสวะสดิ์คือพบคือความมีความเป็นนะตลอดถึงการบังเกิดในพบหรือการรู้สึ ก, กตัวเป็นนะเราจะเห็นว่าถ้าเรารู้สึกตัวเป็นอัตตาเราจะใหญ่มากเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มาดยอะเลยมาดเยอะเลย มันมัพระพุทธเจ้าจึงสอนลดตัวเนี้ยลถตัวเนี้ยให้ทําเหมือนกับเหมือนกับโคเขาหากให้เหมือนกับผ้าเปื่อนผูนให้เหมือนกับผ้าเช็ดท้ายเหมือนกับอะอัตราให้มันเล็กลงอะไรเล็กๆก็ตามันเพื่อนปลาไม่ถูกเห็นไหมฮะทอตัวย่อยๆแต่มันมันกระทบนั่นกระทบนี้กระทบมันมันยุบมันหมดเลยเดินหน่อยเพื่อนไม่ก้มให้หน่อยโกรดตาตาใหญ่เต็มถนนเพบนอัตราเล็กๆเนี่ยนะฮะัตาเล็กๆ ก็ลดลดกกรู้สึกว่าเป็นเราเนะ่ยเราเป็นให้มันให้มันเล็กลงแต่ในที่นี้หมดนะหมดภาวะตันหาเพราะไม่มีภาวะจิตสิ่งที่เรียกวภาวะสะวะก็ไม่มแล้วก็สรุปรวมเป็นอวิชาสะวักอสวคือวิช า, าจะเห็นว่าตัววิปัสสนาเป็นตัวทำลายอาวิชาแต่อย่าลืมของท่านวัดสการาพรามเองก็ทำลายอาวิชาเหมือนกัน แต่ว่าทำลายได้นิดๆหน่อยๆเพราะวิชาที่ทำลายจริงๆนั้นมันเป็นการทำลายในลักษณะคล้ายๆกับแสงสว่างกรจัดมืดในจุดนั้นจะไม่มีความมืดแต่จะมีเฉพาะแสงสว่างเพราะงั้นคุณลักษณะของมหาบุรุษก็คือพันทนิสมบูรณ์นะฮนะท่านท่านท่านวัดสการพรามณ์พอได้ฟังอย่างนั้นก็กราบเลย คือเห็นด้วยแล้วว่าคนระดับหมาบูรุษหมาปราดจริงๆก็คือพระองค์นี่เองคือพระพุทธเจ้านี่เองเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าทําประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นนั้นมากพระเจ้าฉลาดในความคิดคือคุมความคิดได้พระเจ้าได้ชาติพระเจ้าชํานาญในเจตูวมโปัญญาหมดเพราะนหมาบุรุษเห็นไหมหมาบุรุษสูงสุดก็คือก็คือพุทธคือพระพุทธเจ้าคือพระประเจ้าคือพระหันทั้งหลาย แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสูงสุดจริงๆพระ ป, ปัจเจกพุทธเจ้าทางก็ไม่เก่งอะไรเท่าไร น, นะถ้าเทียบกับพุทธเจ้าเนี่ยเขาก็สูงสุดก็มาอยู่ที่พระพุทธเจ้าอย่าลืมว่าคำบังคับด้วยควําวำหมาปราดหมาบุรุษมันจะต้องมีสุดยอดสุดยอดไม่ใช่ไปเพิ่มอักขระขึ้นมาอีกนะอักขระมาหมาปราดอักขระมาหมาบุรุษเดียวยุ่งตายเลยเดี๋ยวก็เป็นอักขระสังกัดขึ้นมาเดียวยุ่งกระจาย มันมันก็มีแค่มหานะฮะแค่มหาก็ก<ม>ก็กก็สุดแล้วตอนนั้นธรรมะตรงนี้ท่านจะเห็นว่ามีลักษณะเสริมเติมเต็มเขาพูดมาแล้วตรอต่อให้ต่อให้มีความสมบูรณ์อย่างบางทีคนพูดเรงวัตถุทานพูดมาเรื่อยๆแล้วก็ตายมันถึงอภัยทานอย่างที่เคยเล่าเรื่องสาธุสูตร น, นะฮะสาธุสูตรที่เทวดามากราบทูลเรื่องทานหนึ่งสองสามสีหกมันขึ้นมาถึงอภัยทาน กูเจ้าก็ต่อมาเป็นธรรมทานจนถึงนิพพานนะต่อไปเลยเขาเรียกว่าแสดงธรรมะมีพระอรหันต์เป็นยอดหมายความว่าบอกจุดสูงสุดไปเลยเพื่ออะไรเพื่อไม่คือคือคื อ, ค อ, คอเป็นอย่างนี้คําว่าสันโดดเขาห้ามสันโดดในกูศนลธรรมนะพอแล้วหยุดแล้วหยุดแสดงงาไม่ได้สันโดดก็ห้ามสันโดดกับกูศนลธรรมนี่ก็ห้ามสันโดด เพราะจะหยุดจะหยุดความเพียรจะหยุดความพยายามและในที่สุดไอ้เป้าหมายจริงๆจะไปไม่ถึงเพราะคนที่จะสันโดษในกุศลธรรมได้ก็มีเฉพาะปราหันเท่านั้นเองป่ า, ารหันท่านก็ถึงแล้วนะฮะไม่ต้องพยายามต่อไปเป็นปริยายของธรรมะแล้วก็เป็นธรรมปฏิบัติที่มีสรุปรวมเป็นบันไดในจุดนี้โดยรวมแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่า มันเป็นการแสดงถึงสติแสดงถึงปัญญานะฮะแล้วก็แสดงถึงวิชาปัญญากับ ว, วิชาจริงอย่างเดียวกันนะฮะ ร, ระดับสุดยอดคือการสามารถขจัดอาสวะให้หมดไปสิ่งไปจากกิจแตไดก็เรียกขีณาศพคือมีอาสวะสิ้นแล้วเป็นชื่อรวมๆเรียกพระอรหันต์ทั้งหลาย นะทั้งพระพุทธเจ้าพระพุเจกวุฒยาพระอรหันต์ทั้งหลายวันนี้ก็ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูตในธรรมทุกมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านือ